ผมเพิ่งคุยเล่นกับดรกอศักดิ์เมื่อเช้าบอกว่าให้มาเทศนาวันแบบนี้หมายความว่าวันที่เขาคุยกันเรื่องเดียวกันทั้งวันลำบากใจนะครับเข้ามานั่งนมัสการตั้งแต่6โมงเชา้ารับอรุณนะครับพี่น้องคงจะทราบเมื่อเช้าเรามีนมัสการฉลองชัยชนะนะครับรับอรุณฉลองชัยชนะที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย นะครับแล้วก็ฟังเสร็จพอตอนสายก็ไปนั่งเข้าไปในห้องคลาสของดอกอรกอศักด์นี่แหละครับสอนชั้นรับ ป, ปัพติสมาหลังจากนั้นก็มาฟังสี่ยพิบานครับท่านอาจารย์ศึกษาเทศนานั่งฟังไปก็นึกไปโอ้แล้วผมจะเหลืออะไรให้ผมพูดนะครับ โดยเฉพาะพี่น้องที่นั่งกันมาตั้งแต่เช้านะครับเอ๊ครูลวีก็สอนไปแล้วอาจารย์ก็เทศไปแล้วสรุปแล้วจะเหลือเรื่องอะไรให้ผมได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับพี่น้องบ้างนะครับแม้กระทั่งตั้งใจว่าจะไม่แนะนําตัวซะหน่อยดรก่อศักด์ก็แย่งแนะนําอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับต้องขอบคุณยริงต้องขอบคุณผมพูดเล่นนะครับต้องขอบคุณมากๆผมเองก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตา และแม้กระทั่งคนรอบบ่ายเองนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ไม่เคยเจอกันผมจริงๆแล้วผมชื่อเล่นว่าอ๋องนะครับคนส่วนใหญ่บอกว่าพัทวิทย์เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักผมเท่าไหร่ถ้าบอกว่าอ๋องจะนึกถึงตัวโตโ ต, ต, ต, ต, ต, ตดําๆนะครับ <c oughs> วันนี้ก่อนอื่นผมอยากจะถามพี่น้องบอกว่าวันก่อนนี้มีใครได้ดูฟุตบอลไทยกับอิรักบ้างไหมครับ <S <S บอลไทยกับอิรักผลเป็นไงครับเสมอสองสอง เรานำครึ่งแรกนะครับเรานำหนึ่งศู์เราไม่เคยชนะอิรักนอกบ้านมาเป็นเวลานานมากหนึ่งศู์เสร็จพอครึ่งหลังเราโดนตีเสมอปรากฏเหลืออีกไม่ถึงสิบนาทีมั้งครับ เ, เราก็นำเป็นสองหนึ่งหเราดีใจมากเราน่าจะชนะเราน่าจะชนะแต่วินาทีสุดท้ายสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายถึงขนาดที่ไม่ได้เขียบอลครับคือลูกสุดท้ายวินาทีสุดท้ายอิรักยิงเข้าไป เสมอ 2-2 ผมนึกถึงวันนี้เลยครับเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังผมให้หัวข้อกับอาจารย์โอ๊ไว้ว่าวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องชัยชนะแค่เอื้อมชัยชนะแค่เอื้อมไม่ได้เฉพาะบอลไทยนะครับผมอยากจะบอกว่าลิเวอร์พูลวันก่อนก็เหมือนกันนะครับนำ 2-0 แล้วสุดท้ายแพ้ 3-2 เนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเราก็ช้ำใจเล็กน้อยนะครับทีนี้ เมื่อเราฟังเรื่องเกือบๆชนะชัยชนะแค่เอื้อมผมต้องถามหน่อยผมมองหาใครที่จะเป็นอนุชนอยู่แถวๆนี้อนุชนหายากจริงๆแถวๆนี้ไม่มีนะครับเพราะเพราะผมอยากจะถามผมอยากจะถามว่าเวลาที่เราสอบเนี่ยครับระหว่างเกือบได้กับเกือบตก อ, อย่างไรดีครับเกือบตกนะครับนะครับงี้ก็โอเคละขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยก็แปลว่าไม่ตกนะครับ เช่นกันครับเกือบแพ้กับเกือบชนะเอาอย่างไงดีครับเกือบแพ้นะครับแตแแ่เกือบชนะไม่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกแล้ววันนี้วันอีสเตอร์เราได้ฟังอาจารย์หลายคนเล่าเรื่องราวของอีสเตอร์ไปทั้งวันจริงๆเราได้ได้เรียนรู้เรื่องราวของอีสเตอร์มาตลอดสัปดาห์นะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับผมเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่รอบสุดท้ายของวันเลยนะครับแต่ผมก็ยังต้องเล่าเรื่องราวของอีสเตอร์ให้พี่น้องฟัง มันอาจจะเป็นมุมเดียวกันบ้างหรือต่างมุมกันบ้างผมอยากจะเล่าให้ฟังในพระธรรมหนึ่งโครินต์บทที่15พระธรรมหนึ่งโครินต์บทที่15เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลเขียนให้เราฟังถึงเรื่องของอีสเตอร์ซึ่งพระเยซูคริส ท, ทรงเป็นขึ้นมาและก็มีชัยชนะเหนือความตายมีชัยชนะเหนือผีมารซาตานผมเชื่อว่าชัยชนะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากจะได้นะครับไม่มีใครอยากถูกเรียกว่าเป็นไอ้ขี้แพ้นะครับ เราเองทุกคนอยากมีชัยชนะไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจการงานไม่ว่าจะเป็นในการเรียนถ้าในเรื่องของกีฬาก็จะเห็นชัดกันหน่อยเพราะมีคะแนนชัดเจนนอกจากนั้นเราอยากมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บนะครับและก็เพราะว่าชัยชนะเนี่ยทำให้เราไงครับเป็นกำลังใจและให้เราฮึดสู้ต่อไปแต่ถ้าเผื่อใครก็ตามมีชัยชนะเหนือความตายเนี่ยนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในโลกนี้มีคนพยายามนะครับเอาชนะความตายมากมายนะครับมีวิธีการมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งซึ่งเขาทำออกมาเมื่อเช้าอาจารย์ศึกษาเล่าให้เราฟังนะครับสำหรับคนที่มารอบเช้าจะได้ฟังเรื่องของจินซีฮ่องเต้ e นะครับเราพบว่ามัมมี่ก็เป็นเรื่องที่พยายามที่จะเอาชนะความตายหวังว่าจะฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหรือมีแม้กระทั่งหนังมีภาพยนตร์นะครับแดูล่าไม่ใช่ ฟรงเกนสไตล์ style, ใช่ไหมครับแฟรงเกนสไตล์ style, พยายามที่จะเอาชนะความตายแต่เราอาจจะพูดได้ว่าอีสเตอร์เป็นชัยชนะของพยยี่เยซูคริสเหนือความตายเพื่อประหยัดเวลาผมยังมีอีกเยอะเลยวันนี้ผมอยากจะอ่านให้เราฟังนะครับหนึ่งโครินบทที่หนึ่งอ้บทที่สิบห้าข้อหนึ่งถึงแปดนะครับผมขออนุญาตถือเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกือผมยกขึ้นเอาเอ า, เอาใช้ขาใหม่มันจะบังไปหมดเลยนะครับ ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาสแล้วแก่อัครทูตสิบสองคนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้า้อคนในคราวเดียวซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้วภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากบแล้วแก่อัครทูตทั้งหมด ครั้งหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดอยาขอใช้เวลานี้อธิฐานด้วยกันดีไหมครับพระเจ้าพระบิดาผู้ใหญ่สูงสุดละโมทนาและเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่มีเหนือความตายและชัยชนะนั้นเป็นชัยชนะที่พระองค์ทรงนาให้เรามีชัยชนะร่วมกับพระองค์ แต่พระเจ้าบ่ายวันนี้ขอริดเดตของพระวจนะของพระองค์จะทํางานในจิตใจทั้งผู้กล่าวพระวจนะและผู้ฟังพระวจนะทุกๆคนด้วยเราขอมอบฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานทูลขอการทรงนําทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าเราพรจิจารณาดูในข้อหนึ่งและข้อสองที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำหนึ่งถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานที่ท่านตั้งมั่นคงอยู่และซึ่งจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนซึ่งข้าพเจ้าประกาศนั้นเว้น mm hmm. แต่ท่านได้เชื่อเฉยๆอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นของอ1971นะครับถ้าเผื่อพระคัมภีร์ของสมาคมพระกิจธรรมเวอร์ชัน2011เนี่ยประโยคสุดท้ายเขาเปลี่ยนจากคำว่าเว้นแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆเป็น นอกจากท่านเชื่อแบบไร้ผลเชื่อแบบไร้ผลเป็นยังไงครับเชื่อไม่กระทำตามความเชื่อซึ่งปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดวันนี้เราเชื่อพระเจ้าเราเชื่อเฉยเฉยเชื่อเพราะคำบอกเล่าเชื่อเพราะพ่อพีเขียน่างนั้นแล้วเชื่อแล้วเราให้เรื่องนี้มีความสาคัญกับชีวิตของเราอย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในข้อที่สามเราจะพบว่าอาจารย์เปโรบอกว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงไวยพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และที่สําคัญนะครับพระองค์ทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่เรื่องสําคัญที่สุดในภาษากรีกเขาบอกว่า บางอาจใช้ภาษากรีกในภาษากรีกเขาบอกว่าเขาเขามาจากคำที่ว่าプロトสนะครับแต่ว่ามาอันดับแรกเป็นที่หนึ่งไม่มีอะไรสาคัญเท่านะครับเปาโลถือว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเป็นเรื่องสาคัญอันดับแรกอย่าลืมนะครับวันนี้เราให้อิสต์เสอร์สาคัญเป็นที่หนึ่งไหม เราให้การฟื้นคืนพระชนของพระองค์เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกไหมเราอาจจะต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าแล้วถ้าวันนี้ไม่มีอีสเตอร์เกิดขึ้นจะเป็นยังไงในพระธรรมบทเดียวกันข้อบทเดียวกันคือ1นโครินบทที่15แต่ถ้าเราพิจารณาดูที่ข้อ14บสเขาบอกว่าถ้าพระคริสต์มิได้ถูกได้มิได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาการเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลัก ทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอีสเตอร์เกิดขึ้นนะครับการเทศนาของพระคริสต์หรือความเชื่อในพระคริสต์ทั้งหลายที่เรามีอยู่ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นนอกจากนั้นถ้าไม่มีอีสเตอร์จะเป็นอะไรดูข้อต่อมาเขาบอกว่าพยานและนักเทศทั้งหมดที่คุยเรื่องการฟื้นคืนชีพนะครับซึ่งใครครับเป็นพยานเรื่องการฟื้นคืนชีพ คริสเตียนพยานซึ่งพยานเรื่องการฟรื้นคืนชีพทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นคนโกหกผมไม่ได้พูดเองนะครับเพราะพระธรรมข้อ15บอกว่าและจะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราอ้างพยานว่าพระองค์ได้ทรงชุบพระครต์ให้เป็นขึ้นมาแต่ถ้าคนตายไม่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงชุบประครต์ให้เป็นขึ้นมาอย่างแรกคือการเทศนาของพระเยซูคริสต์ และความเชื่อในพระคริสต์ก็ไร้ประโยชน์อย่างที่สองคือถ้าไม่มีอีสเตอร์คนที่พูดเรื่องการฟื้นคืนชีพทั้งหมดก็เป็นคนโกหกและเมื่อโกหกนะครับถ้าไม่มีอีสเตอร์ทั้งคุณและผมก็ยังตกอยู่ในความบาปไม่มีใครได้รับการไถ่ให้รอดจากบาปรวมถึงผู้เชื่อในอดีตซึ่งเชื่อแล้วล่วงหลับไปนะครับพระพีบอกว่าคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วย และสุดท้ายคริสเตชนคือคริสเตียนก็จะเป็นคนที่น่าสมเพชที่สุดในโลกเพราะบอกว่าถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้นคือหวังลวมๆแรงๆเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวช ท, ที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าที่อะไรครับพระเยซูทรงมีชัยชนะและชัยชนะของพระเยซูคือการมีชัยชนะเหนือความตาย ถ้ามีเวลาเมื่อเรากลับไปวันนี้ผมอยากชวนให้เรากลับไปอ่านพระธรรมหนึ่งโครินท์บทที่สิบห้าพิจารณานะครับแต่ละข้ออธิษฐานกับพระเจ้าคข้ครวนอย่างดีเพราะว่าพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมตอนที่สาคัญนะครับเล่าเรื่องที่สาคัญที่สุดให้เราฟังแต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น เพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเมื่อพระองค์เสด็จมาต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุด ปัจจุบั น, นพระคริสต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้าเมื่อพระองค์จะได้ทรงทําลายเทพผู้ครองศักดิเทพและอิทธิเทพหมดแล้วเพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทําลายนั้นก็คือความตายความจริงของอีสเตอร์บอกกับเราว่าพี่เยซูคริสต์ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นข่าวดี ผมอยากให้เรามีโอกาสหันไปหาคนข้างๆเราและบอกเขาว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วครับขอบคุณครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับพระเยซูคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ในพระคริสต์ก็จะเป็นขึ้นจากความตายและพระองค์จะทรงทาลายศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายมีใครรู้จักชื่อจั ก, กรพัฒน์นโป ล, ลยนบงครับ <c oughs> นบโป ล, ลยนเป็นใครครับ เป็นจกักรพรรดิชาวอะไรชาวฝรั่งเศสนะครับยังดีนะครับบางทีถ้าผมไปคุยกับเพื่อนๆถามว่านปโ ป, ลน ป, โปลเลียนคืออะไรเพื่อนๆบอกว่าบรันดีไม่ใช่นะครับบรันดีเอาชื่อมาจากจากักรพรรดิอีกทีนะครับเป็นจกักรพรรดิที่ทำสงครามลบไที่พวภาคพื้นยุโรปนะครับแต่ว่าเขาพ่ายแพ้ในสงครามสุดท้ายสงครามอะไรรู้ไหมครับสงครามวอเตอร์ลู วันนึงเนี่ย น, นโปเลียนยืนอยู่หน้ากองทัพของเขาหลังจากที่พ่ายแพ้นในสงครามวอเตอร์ลูเขาพยายามปกปิดความสูญเสียและหาทางออกในการก้าวต่อไปนโปเลียนตระหนักแล้วว่าความต้องการที่จะครอบครองโลกใบนี้ของเขาถึงจุดจบเขาไม่สามารถจะครอบครองโลกนี้ได้เขามีแผนที่โลกติดอยู่ที่กำแพงนะครับถ้าสมัยก่อนถ้าสมัยนี้เราก็ใช้กูเกิลแมปใช่ไหมแต่สมัยก่อนก็มีแผนที่ใหญ่ๆติดที่กำแพงบนแผนที่นั้น มันมีกากระบาทสีแดงอยู่ที่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งรู้ไหมครับเกาะอะไรคู่กัดของฝรัง่งเศสคือประเทศอังกฤษที่เกาะอังกฤษถูกกาสีแดงเอาไว้นโปเลียนพูดอย่างโกรธเกรี้ยวกับนายพลของเขาเมื่อชี้ไปที่สีแดงบนแผ่นที่ถ้าไม่ใช่เพราะจุดสีแดงเนี่ยเราคงจะชนะโลกนี้แล้วนโปเลียนบอกกับทหารของเขา ผมอยากให้เรานึกย้อนกลับไปสองสมวันก่อนถ้าเรานึกถึงภาพซาตานกำลังรวบรวมสมุนของมันมาที่เนินเขาหัวกะโหลกหรือโกลละโกธาหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์เราวิญญาณชั่วแล้วก็พวกหัวหน้าในในรกเขากำลังฟังซาตานพูดลักษณะเดียวกับนบโปเลียนนโปเลียนชี้ไปที่โลหิตสีแดงพลังเขน ถ้าไม่ใช่เพราะไอ้สีแดงๆเนี่ยพวกเราก็คงชนะโลกไปแล้วเหมือนกันแต่วันนี้เพราะโลภิิตของพระเยซูเอาชนะความตายเอาชนะโลกชัยชนะแค่เอื้อมเรื่องแรกเพิ่งเรื่องแรกนะครับเมื่อกี้อินโทรเพิ่งชัยชนะแค่เอื้อมเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือชัยชนะของมารสซาตานที่พยายามจะเอาชนะโลกใบนี้ ชัยชนะของมันอยู่แค่เอื้อมมันเคยเกือบจะเอาชนะได้แล้วตอนที่มันได้ล่อลวงบรรพบุรุษของเราคืออาดัมกับเอวาเมื่ออาดัมกับเอวาล้มลงในบาปมนุษย์จึงพบกับความพ่ายแพ้ปราชัยที่สําคัญก็คือมนุษย์ได้ตกอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของมนันตลอดเวลาพระธรรมโรมบทที่2อข้อสิบอกกับเราว่าคนทั้งหลายที่ไม่มีทําบัญญัติและทําบาปจะต้องพินาศโดยไม่อ้างทําบัญญัติ ถ้าไม่มีธรรมบัญญัติและทำบาปก็ต้องพินาศโดยไม่อ้างธรรมบัญญัติสรุปว่าไม่มีธรรมบัญญัติก็พินาศนะครับและคนทั้งหลายที่มีธรรมบัญญัติและทำบาปก็ต้องมีโทษตามธรรมบัญญัติสรุปแล้วไม่ว่าทางไหนทุกคนพินาศและต้องโทษทั้งสิ้นนนยอนบทที่10บข้อ10 บ, บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อฆ่าและทาลายมันซาตานได้พยายามล่อลวงมนุษย์ ให้หลงไปจากทางของพระเจ้ามารและซาตานทำให้เนื้อหนังของเราอ่อนแอลงเพื่อที่มนุษย์จะตกเป็นทาตของการทำตามใจตัวเองเราสังเกตได้จากในพระคัมภีร์เดิมนะครับ <c oughs> ชนชาติอิสราเอลเนี่ยเป็นต้นแบบเลยของการทำตามใจตัวเองนะครับอยู่เสมอเราอ่านเราจะพบว่ามีแต่การทำตามใจตัวเองตลอดแม้กระทั่งตอนที่โมเสสกำลังขึ้นไปรับธรรมติเขาก็ยังสแสวงหารูปเคารพตามใจตัวเอง ธรรมบัญญัติหรือบัญญัติสิประการที่พระเจ้าทรงกระทําผ่านชนชาติอิสราเอลนะครับพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกไว้ชัดเจนว่าไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่จะไปถึงธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้เพราะความบาปนั้นได้เข้ามาครอบครองและครอบงําจิตใจของมนุษย์อย่างสมบูรณ์แต่เพราะสีแดงๆนี้เองเพราะโลหิตของพระคริสต์ที่ได้หลั่งออกเพื่อเราเพราะองค์ได้มีชัยชนะเหนือมารซาตานและความตาย ผมอยากชวนพวกเราดูรูปรูปหนึ่งนะครับผมขอรูปรูปหนึ่งรูปนี้ครับอ๊คือพอดีขาผมยาวแล้วพื้นที่มันเล็กไปหน่อยรูปนี้นะครับเขาชื่อรูปอานาสตาซิสแปลว่าการฟื้นคืนชีวิตรูปเนี้ยในลักษณะนี้มีการวาดอีกหลายรูปเลยแต่แต่รูปที่เป็นลักษณะแบบนี้คือเรียนแบบกันถ้าเราไปเซิร์ชใน นะครับกูรูของเรานะครับเราก็จะพบว่ามันจะมีรูปในลักษณะเดียวกันหมดภาพนี้เขาเป็นภาพซึ่งแสดงชัยชนะของพระเยซูนะครับในการลักษณะที่ให้เห็นว่าพระเยซูเนี่ยออกมาจากอุโมงค์และกําลังฉุดมืออาดัมและเอวาออกจากโรงมาสู่ชีวิตนิรันดร์ข้างล่างนี้เห็นเป็นโรงนะครับจริงเมื่อก่อนจะอยู่ในอุโมงค์หรือเป็นโรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ภาพศิลปะชิ้นนี้เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าความตายฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายซึ่งเป็นผลจากการทำบาปของอาดัมและเอวาพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อพระเยซูฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเพราะพร ะ, พระเยซูคริสตม์มนะีชัยชนะเหนือความตายอุโมงค์ฝังศพจึงไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิต เป็นธรรมดาที่เราจะโศกเศร้าและเสียใจนะครับเราจะพบว่างานศพของคริสเตียนเนี่ยมีสิ่งที่ต่างกันไปเวลาเรามีคนที่เรารู้จักนะครับเสียชีวิตนะครับเราอาจจะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจที่ต้องห่างต้องจากแยกกัน <c oughs> แต่สำหรับผู้เชื่อเนี่ยเราจะไม่ได้เสียใจแบบคนที่ไม่มีความหวังแต่เราเสียใจแบบคนที่มีความหวังที่จะได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเรามีความหวัง เรามีความหวังใจชัดเจนในพระเยซูคริสต์คำสัญญาของพระเจ้าที่สำคัญผมเชื่อว่าพวกเราท่องได้ทุกคนช่วยเราช่วยผมหน่อยได้ไหมครับช่วยทำมาหากินกันหน่อยพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าหนึ่งสองสของพระองค์ อขอบคุณพระเจ้านะครับถ้อยคำอาจจะต่างกันบ้างพ ผ, ผมเชื่อว่าพวกเราอ่านพระคมภีคนละเวอร์ชัน P กันแต่ความหมาเยเหมือนกันนะครับแต่เราพบว่ า, ม, ามันพยายามที่จะมีชัยชนะชัยชนะของมันที่แค่เอื้อมเกือบจะเอาชนะพระเยซูได้แล้วเอาชนะโลกได้แล้วมันก็พ่ายแพ้ต่อพระเยซูคริสต์ แต่มันก็มีความพยายามที่จะบิดเบือนความจริงเรื่องนี้หลายครั้งหลายหนนะครับแม้ว่าจะไม่มีครั้งไหนที่จะทำได้สำเร็จและไม่มีวันที่จะทําเรื่องนี้ได้สำเร็จเพราะเรื่องราวเหล่านี้คือความจริงของพระเยซูคริสต์ผมอยากจะให้เราย้อนลงไปดูในเรื่องราวของอีสเตอร์เราจําได้ว่าผู้นำศาสนาอยู่กลุ่มหนึ่งได้ขอร้องให้ปีลาตเอาหินนะครับไปปิดปากอุโมงค์พระศพของพระเยซู และไม่ปิดอย่างเดียวนะครับให้ตีตราที่อุโมงค์ฝังศพไว้เพื่อม่ให้ผู้ใดเปิดหินออกและให้นําทหารจํานวนหนึ่งไปเฝ้าที่ปากอุโมงค์ mm hmm. เขาทําอย่างนี้ทําไมครับผู้นำอยู่เขาทำเพราะเขากลัวว่าสาวกของพระเยซูจะไปขโมยพระศพแล้วถ้าขโมยพระศพออกไปก็จะมากระจายข่าวว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยข่าวลือว่าพระเยซูจะฟื้นขึ้นจากความตายภายในสาวันเนี่ย ทำให้เขากลัวกลัวมากๆถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราจะพบว่าซาตานกําลังพยายามที่สุดกําลังที่จะป้องกันไม่ให้พระเยซูฟื้นหรือป้องกันเพื่อไม่ให้ความจริงของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ได้รับการยอมรับ mm hmm. ก็คือว่าถ้าเขากันไม่ให้พระเยซูออกจากอุโมงค์ได้มันก็ดูเหมือนว่าคําตรัสของพระเยซูที่บอกเอาไว้แล้วเนี่ย จะไม่เป็นจริงการอัศาจรรย์ที่พระองค์กระทํามาทั้งหมดก็ดูเหมือนว่าจะไร้ผลและเชื่อว่าอัครทูตซึ่งกําลังเฝ้ารออยู่ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็คงจะเสียขวัญและก็จัดกระจายกันไปทั่วและเชื่อว่าคนที่ศรัทธาและติดตามพระเยซูในวันนั้นก็อาจจะเลิกเชื่อไปเลยด้วยเหตุนี้ศัตรูจึงต้องการเอาหินปิดปากอุโมงตีตราอุโมงค์และยังจัดทหารยามกํากับไว้ ทั้งหมดนี้ซาตานคิดว่าถ้าทำได้สำเร็จพวกมันจะมีความยินดีแต่ปรากฏว่ามันคิดผิดเพราะว่ามีการบันทึกอย่างชัดเจนวัตูุสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่งเสด็จมาจากสวรรค์และเลื่อนหินที่ปิดปากอุโมงค์และนั่งบนหินนั้นเราเห็นภาพอะไรไหมครับเราเห็นภาพไหมครับวัตูุสวรรค์เสด็จมาเพื่อเลื่อนก้อนหินและนั่งบนนั้น มันสื่อให้เราเห็นว่าไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาหยุดการฟื้นจากความตายของพิยสุคริตได้ไม่ว่าจะเป็นศิลาขนาดใหญ่ซึ่งคงมีน้ำหนักหลายตันนะครับที่มันคิดว่าแค่นั้นจะขังพยิยสูไว้ในอุโมงค์ได้หรือทหารยามที่เฝ้าอยู่หรือรัฐบาลเผด็จการของโรมหรืออุโมงค์ที่ตีตราไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรที่สามารถจะหยุดยั้งชัยชนะของพิยสุคริตได้ยิ่งกว่า น, นั้น หินก้อนที่ตีตราไว้นะครับกลายเป็นที่นั่งเล่นของทูตสวรรค์ของพระเจ้าเมื่อคนเหล่านั้นมาสิ่งที่เขาพบคืออะไรครับไม่ใช่พระเยซูแต่เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้านะครับทูตสวรรค์พูดกับสตรีเหล่านั้นบอกว่าท่านสแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมเล่า พระองค์ไม่อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจงระลึกถึงคําที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีสิ่งที่ทูตสวรรค์บอกทูตสวรรค์บอกว่าไม่ได้พูดถึงอะไรไกลไปกว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของคนเหล่านั้นเองสิ่งที่เคยรับฟังจากปากของพระเยซูเองมีบางคนถามเหมือนกันว่าประสบของพระเยซูหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่พระสบของพระเยซูหายไปตอนที่ ทูตสวรรค์มากลิ้งหินเปิดหรือเปล่าเปล่านะครับทูตสวรรค์ไม่ได้มากลิ้งหินเพื่อจะให้พระเยซูออกมานะครับพระเยซูศพของพระเยซูหายไปตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วพระเยซูไม่จําเป็นต้องรอให้ทูตสวรรค์มาก ล, กลิ้งก้อนหินเพื่อให้พระองค์จะออกมาได้นะครับแต่ทูตสวรรค์กลิ้งหินนั้นออกมาเพื่อให้บรรดาสตรีที่เป็นสาวกของพระเยซูสามารถเข้าไปพิสูจน์ความจริงได้สะดวกขึ้น เคยมีผู้ประกาศชาวอินเดียนะครับได้ไปเทศนาประกาศกลางแจ้งและถูกขัดจังหวะบอกว่าอีกความเชื่อหนึ่งเขาบอกว่าเรามีบางอย่างที่ท่านไม่มีคือเรามีการที่จะเดินไปแสวงบุญกันได้และยืนต่อหน้าหลุมศพได้แต่คริสเตียนอย่างท่านไม่มีอุโมงค์ของพระเยซู เพื่อนมัศการพระองค์หลอกเลยเขาบอกนักเทศคนนั้นบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่มีหลุมศพเพื่อจะมานมัสการพระองค์เพราะเราไม่มีศพนั่นเองพี่น้องที่รักครับเราไม่ได้นมัสการคนตายแต่เรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อาเมนไหมครับเรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่หลุมศพไม่ใช่สิ่งที่มีความน่าเคารพอยู่ตราบเท่า ที่มีศพอยู่เท่านั้นผมเคยไปเยี่ยมหลุมศพ บ, บางที่เราก็จะเห็นช่องที่เป็นช่องเปล่าๆอยู่ไม่เคยมีใครไปไหว้ช่องเปล่าๆนะครับต่อให้ความเชื่อใดๆก็ตามนะครับเช่นเดียวกันเราไม่ไปนมัสการหลุมศพที่ว่างเปล่าเพราะพระเยซู ฟ, ฟื้นคืนพระชนแล้วนะครับผมอยากจะเล่าให้เราฟังเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องราวของพันโรงชารานะครับเราไม่ใช้คำว่าแก่คำว่าแก่เป็นคำแสลงหูเราใช้คำว่าชาราพันโรงชาราคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลประตูพระวิหารวินเชสเตอร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษพันโรงคนนี้ได้เล่าให้ฟังถึงการส่งข่าวสารในสมัยก่อนเกี่ยวกับชัยชนะของนายพลวิลลิงตันนะครับนายพลวิลลิงตันมีชัยชนะต่อใครครับคุณคุณไหมพอจะเดาได้ไหมครับ อังกฤษนะครับชัยชนะต่อจั ก, กรพรรดินโปลเลียนคนเมื่อกี้แหะครับนะครับพันลงคนนี้เล่าว่าข่าวเกี่ยวกับสงครามมักจะมากระทงเรือฮนะก็คือเขาจะตีธงสัญญาณธงในที่นี้มีใครเป็นทหารเรือบ้างไหมครับนะครับไม่มีนะครับเราจะมีภาษาในโลกนี้หลายภาษาแต่ภาษาที่ไม่ใช้ตัวอักษรแต่ว่าอ้างอิงตัวอักษรอันนึงก็คือภาษาทง การตีธงคล้ายๆรหัสมอสเนี่ยครับแต่เขาใช้วิธีตีธงหรือบางอันก็จะมีรหัสไฟเราจะเห็นว่าเขาส่งไฟแวบแวบว ว, วนะครับเรือจะส่งสัญญาณธงโดยเรือจะแล่นมาทางตอนใต้ขอ ง, ง, งอังกฤษแล้วส่งสัญญาณธงตอนนั้นแนวหลังก็คือประชาชนอังกฤษคอยฟังคอยคอยฟังข่าวการรบของทหารแนวหน้าโดยการนําของนายพลวอรลิงตันเป็นอย่างมากคนที่อยู่บนยอดหลังคาพระวิหารหรือประภาคารจะมีหน้าที่อ่านสัญญาณธง เพื่อส่งข่าวให้ประชาชนด้านล่างได้รับทราบวันหนึ่งเรือที่กําลังแล่นมาทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษได้ปรากฏขึ้นก็คือเรือที่มาจากสงครามคือเราเห็นเรือเนี่ยแล้วอยู่ไกลๆเนี่ยอีกเป็นวันกว่าจะเข้ามาถึงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะรู้ข่าวเร็วสมัยนี้มันก็ง่ายสําหรับเราที่เรากดไลน์แป๊บนึงเนี่ยนะครับคนที่อยู่ห่างไกลก็สามารถจะได้ยินข่าวรู้เรื่องราวได้ส่งแคปเดียวแป๊บเดียวนี้นะครับก็รูปภาพก็มาละ แต่สมัยก่อนนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ยากกว่า น, นี้มากเพราะาส่งสัญญาณธงต้องค่อยๆแปลรหัสทีละคาทีละคาทีละคำแต่ทีละตัวอักษรเลยนะครับเรือธงที่แล่นมาเนี่ยปรากฏขึ้นและส่งสัญญาณธงมาคนที่อยู่บนประภาคารสูงๆก็มองลงไปแล้วก็อ่านได้ความว่าวลิงตันพิชิตแล้วคนอ่านสัญญาณธงอ่านได้ไม่ชัดเจนเพราะ ข, ข้อความก็อาจจะยาวเกินไป ก็เลยเข้าใจว่าเวลลิงตันถูกพิชิตแล้วนะครับจึงส่งข่าวให้ประชาชนข้างล่างได้รับทราบคนที่รับทราบข่าวเป็นไงครับเศร้าสลดข้อความเหล่านั้นทำให้ความเศร้าแพร่ปกคุมไปทั่วแต่พอมาอีกไม่นานเรือก็ส่งสัญญาณเพิ่มเติมมาว่าชัยชนะคราวนี้คนอ่านสัญญาณธงส่ง ข่าวให้ประชาชนข้างล่างบอกว่าในพลเวลลิงตันที่ชิดชัยชนะแล้วพี่น้องที่รักครับทันทีที่ความหมายของประโยคเปลี่ยนไปไม่กี่นาทีประชาชนที่รับทราบข่าวด้านล่างก็กระจายข่าวออกไปแล้วก็มีความปรีดีทั่วกันไปบรรยากาศแห่งความโศกเศร้ากับกลายเป็นความชื่นชมยินดีผมว่ามันไม่ต่างกันกันกบตอนเที่ยงวันศุกร์นะครับสาวกของพระเยซู ได้แต่ยืนมองพระองค์ที่โคนไม้กางเขนเกิดความรู้สึกเศร้าใจภาพพิสาวกได้แลเห็นเป็นภาพที่พระเยซูแพ้ต่อศัตรูแต่พอหมอกยามเช้าเหมือนที่เรานมัสการลุ่งอรุณเมื่อเช้านะครับได้จางลงซึ่งตรงกับเช้าตรวันอาทิตย์นะครับแสงที่ส่องลงมายัางอุโมงค์ของโยเซฟเชาวอาริมาธาพระสมีภาพของการฟื้นคืนพระชนก็ได้ปรากฏขึ้น มันเป็นสัญญาณของการขับไล่ความทุกโศกเสียใจให้หายไปเป็นสัญญาณของประกาศการประกาศความยินดีและที่สําคัญเป็นสัญญาณประกาศว่าพระเยซูได้พิชิตศัตรูแล้วพี่น้องครับคำประกาศของทูตสวรรค์ที่ประกาศแก่สาวกที่ติดตามพระองค์ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ในอุโมงค์แล้วนั้นเป็นสิ่งซึ่งทําให้พวกเราชื่นชมยินดีคําถามคือว่าแล้วเวลานี้พระองค์ ประทับอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือผมอยากจะเล่าให้เราฟังเมื่อตอนเช้าผมนั่งดูอยู่แล้วผมก็เห็นอาจารย์ศึกษาได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องผ้าพันประสบของพระเยซูที่ว่างเปล่าผมก็รุนมันจะเรื่องเดียวกันอีกไหมเนี่ยไม่งั้นผมก็จะหมดแล้วนะผมอยากจะเล่าให้เราฟังเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่การตีความหรือเปล่า แต่ผมอยากจะคุยให้เราฟังว่าอย่างน้อยมันมีนัยยะให้เราได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของผ้าพันพระเศียรพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อหนึ่งถึงข้อ4เขาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เช้าวันนั้นผมอยากให้เราฟังดีๆทีละตัวอักษรวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพ นางเห็นหินออกจากปากอุโมงอยู่แล้วนางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรและสาวกอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักนั้นและพูดกับเขาว่าเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงแล้วและพวกเราไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนเปโตรจึงออกไปยังอุโมงกับสาวกคนนั้นเขาวิ่งไปทั้งสองคนแต่สาวกคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงก่อน เขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในซิโมนเปตโตรตามมาถึงภายหลังแล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้าป่านวางอยู่และผ้าพันพระเศียรของพระองค์มิได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากแล้วสาวกคนนั้นที่มาถึงก่อนก็ตามเข้าไปด้วยเขาได้เห็นและเชื่อและสังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมครับมีเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งซึ่งถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเราจะพบว่า ทำไมต้องมามีบันทึกไว้ตรงนี้ด้วยผมอ่านให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งในข้อที่เจ็ดข้อหและเจ็ดเขาบอกว่าซีโมนเปโตรตามมาถึงภายหลังแล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้าป่านวางอยู่และผ้าพันธุ์พระเศียรของพระองค์มิได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากผ้าพันธุ์พระเศียรของพระองค์มิได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากทำไมต้องบอกเราด้วยนะ ห้า พ, พันพระเศียนวางอยู่ก็ก็วางสิครับแล้วแล้วพับไว้ต่างหากอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการตีความแต่มีนักก า, ารศึกษาพระพีคเขาก็ตีความในเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังถึงว่าในสมัยก่อนนั้นนะครับคนยิวเนี่ยครับที่มีฐานะนะครับเวลาเรากินข้าวเราก็จะนึกถึงโต๊ะอาหารที่นั่งอยู่แล้วก็ไม่มีคนอื่นอยู่ด้วย นะครับก็จะนั่งกินแล้วก็โต๊ะยาวๆว่านั่งกินอยู่คนเดียวแล้วก็จะมีท่าที่คอยรับใช้ก็จะยืนอยู่ข้างๆนะครับยืนทําท่าเรียบร้อยนะครับคอยรับใช้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กินเสร็จนะครับเขาเจะผ้าเช็ดมือแล้วก็วางทิ้งไว้แล้วก็คนรับใช้ก็จะเก็บไปได้แต่ถ้านายมีโอกาสที่จะต้องลุกไปที่ไหนสักแห่ง เดี๋ยวไปธุระก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อเป็นธรรมเนียมที่เขาจะพับผ้าเช็ดมือวางเอาไว้เป็นสัญญาณบอกว่าแล้วเราจะกลับมามีนักการศึกษาพระคัมภีบางคนตรีความว่าเรื่องนี้บันทึกไว้เพื่อเป็นการบอกเราอย่างชัดเจนพระองค์บอกกับเราว่าแล้วเราจะกลับมานี่คือคำตอบว่าแล้ววันนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหน พระองค์สถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งที่สําคัญคือพระองค์สถิตยอยู่กับเราพระาะพระองค์สัญญาไว้กับเราแล้วในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้า20พระองค์จะสถิตยอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคไม่มีพระเจ้าในโลกองค์ไหนครับที่จะบอกอย่างนี้ได้นอกจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ดเดียวและเรื่องเหล่านี้ทําให้ชัยชนะแค่เอื้อม ของมารซาตานได้พลาดไปชัยชนะแค่เอื้อมที่เราจะคุยกันต่อมาผมอาจจะไปให้เร็วนิดหนึ่งเพราะเวลาไม่ค่อยเหลือมากนะเป็นชัยชนะแค่เอื้อมของคนซึ่งน่าจะได้รับความรอดน่าจะเห็นถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูได้อย่างดีแต่เขากลับพลาดไปอย่างหดุดหิดคนพวกนี้ไม่ใช่เกือบพินาศแต่คนพวกนี้เกือบรอด ฝูงชนที่ตามแห่ถ้าเรานึกถึงสัปดาห์ที่แล้วฝูงชนเหล่านั้นตามแห่พระเยซูนะครับตามพระเยซูเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มอย่างผู้ชนะฝูงชนพวกเดียวกันนี้แหละครับซึ่งร้องว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียตรึงพระเยซูเสียทุกวันนี้เราต้องถามตัวเองเราอยู่ในคริสตจักร แบบนี้หรือเปล่าล้วกำลังตามใครต่อใครมาหรือเปล่าเขาบอกว่ามันดีผมพบว่าบางครั้งเวลาที่เรที่เราบอกว่าชวนเพื่อนฝูงมาโบสบางคนก็จะพูดถึงความรอดในพระเยซูคริสต์แต่บางคนก็จะบอกว่ามาสิเขารักกันดีนะบรรยากาศดีผมชอบพูดเปรียบเทียบ ว, ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเหมือนโปรเสริมนะครับโปรหลักนะครับโปรหลักอย่าลืมนะครับคือความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ ซึ่งโลหิตของพระองค์เอาชนะแต่เราชอบใช้โปรเสริมมาแล้วผู้คนรักกันดีเขาดูแล ก, กันเขาดูสงบนะครับมีคำของฝรั่งที่เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยมาพูดไว้ในการเทศนาที่โบสถ์เราบอกว่าผมชอบมากเลยเขาบอก Walking into a barn ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะครับ Walking into a barn doesn't make you a cow Walking into a church doesn't make you a Christian เบอกเดินไปเดินมาอยู่ในทุในโรงนานะครับไม่ได้ทําให้คุณเป็นบัวไปได้หรอกขณะเดียวกันเดินไปเดินมาอยู่ในโบสถ์ไม่ได้ทําให้เราเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนต้องเชื่อแล้วจะรอดยูดาสเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งน่าเสียดายเขาได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเป็นหนึ่งในสิบสองคนที่เป็นคนใกล้ชิดที่สุดกับพระเยซูแต่เพราะความโลภความอยากได้อยากมีหลายสิ่งหลายอย่าง หรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะการติดตามพระเยซูของยูดาสไม่ได้มาจากแรงจูงใจที่ถูกต้องเขาอาจจะหวังว่าเขาจะได้อะไรได้ทรัพย์สมบัติหรือได้อะไรก็ตามหลังจากที่พระเยซูเอาชนะและขึ้นมาปกครองคนยิวเป็นกษัตริย์ของพวกยิวทุกวันนี้เราติดตามพระเยซูด้วยความซาบซึ้งในความรักของพระเยซูหรือด้วยแรงจูงใจอะไรปิลาตเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้ทั้งรู้ว่าพระเยซูไม่ผิด แต่เพราะผลประโยชน์เพราะการเมืองทำให้เขาปล่อยให้พระเยซูถูกตึงบนกางเขนจริ ง, รงๆเขารู้ฤทธิดเดชของพระเยซูไหมรู้ว่าพระองค์เป็นคนสำคัญรู้ว่าพระองค์ต้องไม่ใช่ธรรมดา อ, อย่างนี้ต้องไม่ธรรมดานะครับเพราะถ้าเขาไม่รู้ว่าพระองค์ไม่ธรรมดาเนี่ยเขาคงจะไม่ล้างมือแล้วแสดงอาการที่จะบอกว่าเขาขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่เขาทา บางครั้งเราพยายามจะล้างมือเพื่อจะบอกว่าเราขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องนะครับมันไม่ได้ทําให้เราพลาดไปจากความรับผิด ช, ชอบถ้าเผื่อเราเองไม่ได้วางใจในพเ่สุคริตอย่างแท้จริงโจรอีกคนหนึ่งบนกางเขนหนึ่งในสองคนที่ไม่สํานึกเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ทีหลังคนกลุ่มสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายเสียดายแทนพวกเขาที่เขาเอง พลาดไปพลาดไปจริงๆในมัทธิวบทที่28ข้อ 1-4 เขาบอกว่าหลังวันสบาโตเวลาใกล้ลุ่งต้นสัปดาห์มารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งมาดูอุโมงค์ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนักมีทูตสวรรค์องหนึ่งของออมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าองค์หนึ่งได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์แล้วก็นั่งอยู่บนหินนั้นสันฐานของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อก็ขาวเหมือนหิมะพ่อพี่บอกเราชัดเจนทูตสวรรค์มาแดงตัวอย่างชัดเจนยามที่เฝ้าอยู่กลัวทูตนั้นจนตัวสั่นและเหมือนคนตายแปลว่าอะไรครับยามเหล่านี้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปไหนเลยเห็นและกลัวจนแทบตายแต่พอตอนหลัง พวกผู้ใหญ่ก็แจกเงินเป็นอันมากแก่พวกทหารและสั่งว่าเจ้าจงพูดว่าสาวกของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนครั้นพวกทหารได้รับเงินแล้วจึงทําตามคําแนะนําเขาเป็นอีกพวกหนึ่งน่าเสียดายที่เขาเห็นถึงริธานุภาพและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เขาได้พลาดไปชัยชนะของคนเหล่านี้เป็นชัยชนะแค่เอื้อม มันเหมือนเป็นชนะที่อยู่ใกล้ๆแต่เขาพลาดไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นโฮลีวีคแต่สำหรับผมนะครับผมพูดว่าเป็นนอกจากเป็นโฮลีวีคมันเป็นฮอลลีวีคของผมด้วยฮอลลี Holy ที่หมายถึงโททอ่ลีครับคือทั้งสัปดาห์ผมป่วยตั้งแต่อทิที่แล้วนะครับวีคมาตลอดอ้ฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยที่วันนี้ จะพูดกับพี่น้องได้จบ <c oughs> แต่เราเห็นได้เลยว่าสัปดาห์ที่เป็นโฮล w ว e k ของใครต่อคนใครต่อใครหลายๆายคนคนเหล่านั้นที่พลาดไปที่ชัยชนะมันอยู่แค่เอื้อมของเขาเป็น o l ล w ว e k ของเขาจริงๆความอ่อนแอของเขาทำให้เขาพลาดไปจากเป้าเขาแสดงตัวอย่างให้เราเห็นคนที่ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมและไปไม่ถึง ผมใช้ขออนุญาตใช้เวลาช่วงสุดท้ายในการพูดถึงชัยชนะแค่เอื้อมอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในบ่ายวันนี้ชัยชนะเหล่านี้เป็นชัยชนะของคนที่เกือบแพ้แปลว่าชนะคนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือโจรคนนั้นที่อยู่บนกางเขนข้างๆพระเยซูเขาห้ามปรามโจรอีกคนหนึ่งว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ เจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นเพราะเราได้สมกับการที่เราได้กระทําและเขาบอกพระเยซูพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์พระเยซูตอบเขาอย่างน่าชื่นชมยินดีเขาเป็นเหมือนคนซึ่งกำลังจะแพ้เขาคงจะเป็นคนหนึ่งซึ่งทาความผิดบาปมากมายในชีวิตจนถึงถูกโทษรุนแรง ขนาดนั้นพระเยซูตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษมชัยชนะในพระเยซูที่นำเสนอให้เราเป็นชัยชนะที่อยู่แค่เอื้อมจริงๆครับมีหลายคนที่อยู่แค่เอื้อมแต่พลาดไปแต่น่าเสียดายถ้าเราจะพลาดชัยชนะที่อยู่แค่เ อ, อื้มนั้นจริงๆสาวกหลายๆคน กลับใจเพราะเขาได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าแม้กระทั่งบางคนซึ่งขี้สงสัยอย่างโทโมัสนะครับเขาก็กล้าที่จะถามและขอพระเจ้าที่จะมีประสบการณ์กับพระองค์รู้จักพระองค์จริงๆนะครับถามว่าจริงๆแล้วเขาจะจําพระเยซูไม่ได้จริงๆเหรอครับอยู่กับพระเยซูมาสาปีนะครับแค่เห็นหน้าพระเยซูยังสงสัยเหรอครับมันไม่ใช่สมัยนี้นะครับที่มี Face off นะครับมีมาเปลี่ยนหน้ากันนะครับไม่ใช่สมัยนี้นะครับสมัยนั้นไม่ยังไม่มีการผ่าตัดเปลี่ยนหน้านะครับไม่มีเฟซออฟใดๆทั้งสิ้นเมื่อเขาเห็นหน้าเขาต้องรู้แล้วคนเฮียพระเยซูไม่อาจจะเป็นได้ว่าเขาอาจจะจําไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่พระเยซูฟื้นพระองค์ทำเพิ่มพีพระอง ค, องค์น่าจะมีพระสง่าราศีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะลืมพระเยซูแต่เขาเองยังอุตส่าห์ต้องขอจิ้มเข้าไปนะครับ เอาไปในมือจิ้มเข้าไปนะครับในสีข้างเพื่อจะได้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเยซูจริงๆพี่น้องครับถ้าวันนี้เราไม่ยังไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูจริงๆนะครับถ้าเรายังรู้เรื่องพระเยซูจากเพื่อนๆบอกจากครูสอนรวีเล่าจากอาจารย์ศึกษาเทศนาให้เราฟังนะครับให้เราขอจากพระเจ้านะครับพี่น้องครับ พระธรรมมัทธิวที่บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านไม่ได้เน้นที่เราจะให้เราขอเงินไม่ได้เน้นที่จะให้เราไปขอทรัพย์สมบัติอะไรนอกจากการที่เราขอที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าหาสแสวงหาความจริงของพระเยซูคริสต์และเคาะเพื่อที่พระองค์จะเปิดให้กับเราพี่น้องครับ บางคนบอกว่าเชื่อในพระเจ้าเชื่อได้ยากนะครับแต่เราอยากจะบอกว่าพระคุณของพระเจ้ามีให้ฟรีๆผมอยากจะบอกว่าชัยชนะมันแค่เอื้อมจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คริสเตียนทำดีทุกวันนี้มีรากฐานมาต่างจากความเชื่ออื่นๆหลายๆความเชื่อพยายามทำความดีเพื่อจะไปถึงจุดหนึ่งซึ่งเราอาจจะเรียกว่าสวรรค์เรียกว่า นิพพานเรียกว่าชัยชนะเรียกว่าบริสุทธิ์แต่โดยพระเยซูคริสต์ชัยชนะโดยพระโลหิตของพระองค์เราทั้งหลายซึ่งรอดได้เราก็รอดโดยพระคุณแล้วพระองค์ให้โดยไม่ถือว่าเราแตกต่างกันเรารอดนั้นที่เรารอดเราก็รอดโดยพระคุณชัยชนะในพระเยซูคริสต์มีอยู่แค่อื้อในพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้า 6, ้าข้อหกับข้อเจ เวอร์ชันอินไอวีเขาบอกว่าจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้จงร้องทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้ให้คนชั่วร้ายละทิ้งวิถีของตนและให้คนชั่วละทิ้งความคิดของตนให้เขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงเมตตาเขาและให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ทรงให้อภัยโดยไม่คิดมูลค่า บางคนบอกว่าเชื่อพระเจ้าเฉยๆก็รอดเหรอมันง่ายขนาดนั้นเชื่อเหรอแต่ขอโทษครับหลายๆคนบอกว่าพอบอกว่างั้นก็เชื่อสิถ้ามันคิดว่าง่ายบอกไม่พร้อมจะเชื่อเพราะอะไรครับเชื่อในพระเจ้าต้องมาร่วมกับการกลับใจใหม่กลับใจใหม่หมายความว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพร้อมที่จะให้พระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะเล่าให้ฟัง เป็นค่ายฝึกทหารครั้งหนึ่งขณะที่ทหารเกณฑ์กำลังเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบหลังจากฝึกหนักมา3มวันครูฝึกจะทำการฝึกต่อไปพลทหารสมชายยกมือขึ้นขออนุญาตครับครูฝึกถามมีอะไรสมชายคือพวกผมฝึกกันมาอย่างหนัก3วันสามคืนยังไม่ได้อาบน้าเลยผมไม่ได้ขออาบน้านะครับแต่อินไซด์นิดหนึ่งนะครับ ผมไม่ได้ขออาบน้ำนะครับครูฝึกแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนกางเกงในครับตอนนี้มันคันไปหมดแล้วพลทหารสมชายตอบครูฝึกตอบกลับทันทีอย่างนั้นเหรอโอเคตกลงพลทหารสมอะไรดีสมสักกับสมชายเอาเปลี่ยนกางเกงในกันปฏิบัติไม่ใช่นะครับเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ต้องกลับใจใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่เปลี่ยนจากศกรปรกอันนึงเป็นสกรปรกอีกอันหนึง่งเลอะเทอะอันหนึง่งไปเป็นเลอะเทอะอีกอันหนึง่งบาปหนึง่งพระอินบาปหนึง่งแต่เป็นการเปลี่ยนให้พระเยซูคริสต์ขเข้าครอบครองชีวิตของเราสิ่งที่ต้องทำมีเพียงกลับใจใหม่และความรอดที่ได้รับจะไม่ใช่ด้วยตัวเราเองซึ่งเรารอดเราก็รอดโดยพระคุณ แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้อนโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายและเป็นเพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทาให้เรามั่นใจเต็มเปี่ยมว่าชีวิตเราจะสามารถมีชัยชนะเหนือความบาปและซาตานได้โลหิตของพระเยซูคริสต์ช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปได้ผมขออนุญาตท้าทายพี่น้องนะครับใครที่อยู่ในทีน่นี้และเรารู้สึกว่าเราเอง ยังไม่ได้รับความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์อีสเตอร์เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระเยซูคริสต์ที่เราลึกถึงการวายพระชนของพระเยซูคริสต์และการช่วยให้รอดพ้นจากความบาปผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ได้ผมท้าทายพี่น้องนะครับพระเุคริตใชัยชนะของพระองค์อยู่แค่อื้อมเพียงเราเชื่อและเราวางใจในพระเยซูคริสต์ พระองพร้อมที่จะให้เราเองพ้นจากความบาปกลับมาหาพระองค์มีชีวิตอยู่ในพระองค์ขอร่วมพวกเราร่วมใจกันอธิษฐานครับขณะที่เรากําลังหลับตาผมขอท้าชวนพี่น้องที่ได้ฟังพระวจนะของพระองค์และมีใครที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์มีใครที่ยังไม่มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ และมีใครที่อยากให้พียสุคริตเข้ามาในชีวิตของเราขอพี่น้องจะมีโอกาสที่จะ ใ, ใช้เวลานี้ใข ค, ครวนกับพระองค์แล้วเดี๋ยวเราจะที่ฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาครับเราขอบคุณพระเจ้าเราพลโมนทนาพระคุณรพระองค์เพราะความตายและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ได้ประกาศชัยชนะเหนือความตาย ในความบาปทั้งสิ้นเป็นการประกาศชัยชนะเหนือความทุกข์ยากลาบากเหนือสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราสิ่งที่เป็นความบาปในชีวิตของเราเพียงเราจะเชื่อและเราจะวางใจในพระองค์แค่แต่พระเจ้าขอพระองค์แต่ต้องจิตใ จ, จของเราขอฤทธิเดชของพระวจนะของพระองค์ที่เราเองได้กล่าวและได้ฟังร่วมกันในบ่ายวันนี้จะทางานในจิตใ จ, จของเรา พระเจ้าครับถ้าจะมีใครสักคนที่ปรารถนาที่จะต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระองค์แต่ต้องจิตใจของคนเหล่านั้นของพี่น้องของข้าพระองค์ตรงนี้และขอพระองค์งนำเขาด้วยทรงนำที่เขาเองจะมีโอกาสมอบชีวิตให้กับพระองค์ให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตจริงๆที่เขาจะมีโอกาสมีชัยชนะเหนือความบาปร่วมกับองค์พระเยซูคริส แต่พระเจ้าครับขอพระองค์ทรงนำด้วยเราวิงวอนพระองค์ถ้ามีพี่น้องที่นี่ที่รู้สึกว่าอยากให้พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดผมขอให้ทุกคนยังหลับตาอยู่และถ้ามีใครที่อยากให้พระเยซูคริสต์ช่วยคุณบ่ายวันนี้ผมขอท้าชวนให้เราจะมีโอกาสยกมือขึ้นเงียบ และบอกกับพระเจ้าว่าเราอยากให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเวลานี้ถ้ามีใครที่อยากให้พิยสุคริตเป็นผู้ช่วยรอดผมท้าชวนพี่น้องครับใครที่อยากรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นผมท้าชวนครับที่เราเองจะต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดของเราหรือที่เราเองจะอยากรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นอยากจะเข้าใจพระองค์มากยิ่งขึ้นเหมือนที่โทมัสคนในพระกัมภีสงสัย แล้วก็ถามขอพระญาติทรงนำค่ะเทพเจ้าขอพระองค์สถิตยอยู่ด้วยครับในบ่ายวันนี้ขอพระองค์ทรงนำมีไหมครับมีพี่น้องท่านไหนที่อยากรู้จักกับพระเยซุคริสต์มากยิ่งขึ้นเราฟังเรื่องราวของพระเยซุคริสต์มามากมายแต่เราอยากมีประสบการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวขอพระเจ้านําด้วยครับ เราจะอธิฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาครับเราขอมอบฝากจิตวิญญาณของพี่น้องทุกๆคนอยู่ในการทรงนำของพระองค์ขอพระองค์ทรงทำงานในจิตใจของเราที่โดยฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เราจะเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเราอยู่ไกลแต่วันนี้เราจะใกล้พระองค์มากขึ้นโดยฤทธิเดชของโลหิตของพระเยซูคริสต์ขอมอบฝากชีวิตของพวกเราทุกๆคนไว้ในการทรงนำของพระองค์และมอบ อธิษฐานทูลขอพระองค์ไว้ในพระนามพระสุคริจเจ้อาอเมน